ผู้ทัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะได้เวลาสันนีสฐนานทนะคะที่ชั้นสันนินฐานาคมงก็โชคดีได้กราบสนทนากับพระอาจารย์เพรบุญญาพิปุญโนกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหากันไปนานพอมาคราวนี้ก็จะพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์นะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนมัส ก, การอาจารย์ไพบุญญอภิปุญโนกันเลยคะ่ะนมัสการกับทคะเชพานค่ะวัดป่าอดอนหายโศกอุดรธา น, านีนะคะตอนนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะไปหมด เว็บไซต์อ่าดี่ฉันจะพูดทบทวนให้ก็แล้วกันนะคะถ้าจะไปเข้าถึงธรรมะที่ท่านไับุญสอนก็ต้องเพียวธร m มะคอม /106 ถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็ถ้าจะติดต่อ ท, ทุระต่างๆกับวัดก็ w w w w p d h s, <S ใช่ไหคะจำง่ายคือเรียนตามตัวอักษรย่อของอเสียงภาษาไทยวัดป่าดอนหายศอก .org โออทานะคะค่ะท่านพบูลค้าวันนี้เริ่มต้นที่คำถามของผู้ฟังของท่านดีกว่าคุณภูมิภูมิมฟู่เนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าอ่านเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะคะเป็นเป็นจีเอลก็ถามเรื่องการนับถือเทพวงเล็บอินดูเสมอกับพระพุท ธ, ธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมหรือไม่คะเนื่องจากเนื่องจากศาสนาพุทธไม่ได้มีข้อห้าม ให้นับถือศาสนาอื่นชาวพุทธก็เลยเอ่ปนกันมั่วเลยคราวนี้คิดว่าใช่ค่ะอทีนี้คุณปุ้มนี่ก็เลยอยากจะทราบว่าเอเราคนจะต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวหรือไม่หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอืมแล้วก็บางคนี่ยังพูดถึงว่าตนเองนี่สามารถสื่อสารกับเทพองค์นั้นองค์นี้ได้อะไรเงี้ย<ฮ>ดิฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ยเหมือนกับปนเปกันไปหมดเลยะะใช่ใช่มันเลยผสมกันยุ่งไปหมดเลย ใ, ใ, นในเรื่องนี้พระเจ้าว่าอย่างไงเอา อาทีละขันทีละตอนตรงพูดถึงการพูดถึงเรื่องเทพเทวดาอะไรพวกนี้ก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าในทางคําสอนของพระพรุทธเจ้าเนี่ยเราเล่ารับรองว่ามีนะราบอกว่ามีมีสัตว์ประเภทที่เป็นโอปติกาโอปติกาเนี่ยหมายถึงว่าผุดเกิดขึ้นนะอย่างมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดทางคันยันต้องมี <c oughs> มารดาบิดาเป็นแดนเกิดแต่ว่าโอปติกาเนี่ยก็คือไม่ต้องมีพ่อไม่มีแม่แต่ผุดเกิดขึ้นเลยนะผุดเกิดขึ้นเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเช่น <c oughs> เทวดาชั้นพรมเป็นต้น นะีพวกนี้เป็นโอปาติกะนะคือผุดเกิดขึ้นก็คือเป็นเทวดานั่นเองเทพเทวดามี <Okay. S 1> นะีการเชื่อที่ว่าพวกเทวดาเหล่านี้มีเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงนี้ที่เขาถามว่าการนับถือเทพเหล่านั้นเสมอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณกําลังมีเทพเหล่านั้นเป็นที่พึง่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ให้เอาพระองค์เนี่ยนะเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึง่ง นะซึ่งเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะต่างกันกันกบมันจะต่างคือสัพท์ที่พระเจ้าใช้จะค่อนข้างเนี้ยบนะคุณโยมเดี๋ยวคําว่าที่พึ่งเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเด็กอานะยุ2อสามขวบเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้าหรืออะไรที่ไม่พอใจปุ๊บก็จะวิ่งหาแม่ก่อนนะก็คือมีแม่เป็นที่พึ่งหรือว่าลูกโคที่มันยังไม่หย่านมแม่ตกใจอะไรมันก็วิ่งเข้าหาแม่ก่อนมันก็มีแม่เป็นที่พึ่งนะลักษณะนี้เหมือนกันว่า เราอยู่ในสังสารวเราเจอปัสสาวะพอใจไม่น่าพอใจเราก็าหาพระพุทธก่อนเนะ่พระพุทธประทานพระสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะเป็นที่จับเนะ่ยเพราะว่ากระแสบางทีมันท่วมทับถาโถมจะทํำยังไงในกรณีนี้เราก็าไปปรึกษาตรงนั้นแต่นะซึ่งคําแนะนําที่พระพุทธเจ้าจะให้นะ่ยก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งไว้รักษาศีลให้ดีนะมีสติทําสมาธิให้เกิดให้มีจิตเป็นโนมันเดียวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปสุขบ้างทุกบ้านก็มีก็ธรรมดา นะครับแนะนําที่ท่านให้จะเป็นอย่างนี้นะคือจะไม่ได้เป็นไปเพื่อการอ้อนวอนหรือว่าการขอความปรารถนาอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้จิตใจนั้นตั้งอยู่ได้มีสติในการที่จะฝ่าฟันอยู่ในโอคนะ่าโอค่าคือหมายถึงห่วงน้ําที่คุณจะต้องแหวกไว่ายไปจนกว่าจะดึงฝังนั่นแหละค่ะทีนี้ในคำถามของคุณปุ่มนี่ก็คือถามว่าถ้าเรานับถือเทพต่างๆเหล่านั้นเสมอกับพระพุทธเจ้านะเสมอกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็คือหมายถึงเอาเขาเป็นที่พึ่งด้วยนะซึ่งถามว่าเขาเนี่ยน่ยเอ่อเป็นลักษณะไหนาสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นที่พึ่งนะให้เป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือพุทธธรรมสังฆะนะซึ่งถ้าเราเข้าใจถูกเนี่ยพุทธพุทโธนะ่ยหมายถึงความรู้นะสมมุติว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเอ่อมีเรื่องของสมาธิเป็นต้นอะเรื่องของสมาธิธรรมดาธรรมะเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเออพระเจ้าสอนเรื่องสมาธิโอเคนี่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเราเอาสมาธินั้นที่เป็นธรรมะเนี่ย เอามาปฏิบัติการปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยคือสง์โอเคนะเพราะว่าสง์คืออะไรสง์คือผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเนี่สง์เนี่ยแปล ว, ว่าหมู่นะคุณยมถิวแปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนคือสงสาวกสาวกแปลวผู้ฟังคําสอนหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นคำว่าสง์เนี่ยก็คือเป็นคําที่แทนการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติหมู่หมูมาๆนะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเพราะนั้นกูเอาธรรมะมาเอามาปฏิบัติ นั่นคือทรงละปฏิบัติที่ไหนในใจของเราใจของเราถ้าเราใจของเรามีสมาธิเกิดขึ้นรู้แล้วอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ความรู้นะั้นเน่ยเป็นพุทโธเป็นพุทธเพราะฉะนั้นธรรมะสังฆะพุทธะอยู่ในใจของเราโอเคน ะ, คะอันนี้โอเคที น, นี้ถ้าผมว่าเราบอกว่าเรานับถือเทพินดูแต่เพื่อที่จะอ้อนบอนขออันนี้การอ้อนบอลการข อ, อนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนอยู่แล้ว เพราะว่าตัวพระอเองก็ทำเป็นตัวอย่างนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก็ไม่ได้ขอต่อลูกเทวดาที่อยู่ใต้ต้นไม้โพว่าให้บรรลุสมมาสัมบริจาณก็ไม่ได้คออย่างนั้นแต่ว่าทำเอาเองนั่นก็คือพึ่งตนพึ่งตรรมทีนี้รูปแบบการตรงเนี้อาจมาคงคิดว่าท่านผู้ถามนี่คงจะหมายถึง เ, เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าถ้าสมมติมีเทพอยู่เนี้ยแล้วเราเราก็ควรจะต้องออนึกถึงในคําสอนพุทธเจ้าก็มีนะเทวตานุสติอืมเทวตานุสติแต่ไม่ใช่ให้นึกถึง เทวดาเทพเทวดาในลักษณะที่ว่าขอเอาอ้อนวอนอะไรต่างๆไม่ใช่อางนั้นแต่ให้นึกถึงเทวดาด้วยความเป็นเทวดาที่ว่าคุณธรรมอะไรที่ทําให้เป็นเทวดาแล้วก็มีศรัทธามีศีลมีจากขะมีปัญญาแในศรัทธาศีลจากขะปัญญาสีอย่างนี้ทําใครสักคนหนึ่งจากคนธรมธรมดาธรรมดานี่ให้เป็นเทวดาได้ให้เป็นเทวดาได้เวลาจะระลึกถึงเทวดาก็ระลึกถึงคุณธรรม4อย่างนี้อันนี้แสดงว่าคุณมีธรรมานุสติด้วย ก็จะหมาออยแว่าคุณนับถือเทพนั้นด้วยคุณธรรมนี้4อย่างนี้ที่เขามีแสดงว่าคุณก็พึ่งพระธรรมด้วยก็จะไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรนะณะแล้วก็ไม่ได้นับถือเทพนั้นแบบว่าอ้อนบอนก็ไม่ผิดหลักคำสอนของพุทธะ ก, ก็เท่ากับว่าท่านกำลัจะบอกว่ า, าถ้าเรามาจำแนกคุณธรรมของเทวดา เราศรัทธานในคุณธรรมนั้นซึ่งตรงกับคุณธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างนั้นเลย่ะคะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง <se pers o> ก็ถือว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรก็ไ ม, ไ, ไ, รไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ้อนวอนข อ, ขอแต่เป็นลักษณะของการพึ่งพระธรรมใช่เราเข้าใจเราเข้าใจว่า อ, อ๋อที่เขาเป็นเยาวดาพราะคุณธรรมนี้ อ, อคุณธรรมนี้ก็คืออยู่ในกายของธรรมะนั่นเองอย่างงี้นะค่ะอืม bueno. แล้วเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยคือเราก็จะกลับเข้าหาพุทธธรรมสังฆาตลอด อ้าแล้วเราก็เอา ค, คุณธรรมที่เขามีเนี่ยมาส่งอยู่ในใจนี่ก็เป็นสงฆ์ใช่ไหมเราส่งอยู่ในใจเช่นศรัทธาศีลจาระปัญญาเราทําแล้วเราทําให้ผลให้เกิดขึ้นในใจของเราเ น, นี่ยนก็เป็นพุท ธ, ธของคุณธรรม น, นั้นๆเกิดขึ้นพุทธแปลว่าผู้รู้เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนชาวพุทธก็ต้องนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหละคําว่านับถือถ้าจะพูดให้มัน บทเพัญชนะถูกต้องก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งพระเจ้าเคยบอกอย่างนี้คุณโยมติวบอกว่าคนที่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ก็คือหมายถึงคนที่อยู่ในศาสนาพุทธนั่นแหละแต่เราจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างน้อยคุณต้องมีคุณธรรมสี่อย่างนี้คุณจะต้องมีคุณธรรมสี่อย่างนี้เพราะนั้นถ้าคุณไม่มีสีอย่างนี้นะคุณจะพูดว่าคุณเป็นชาวพุทธได้ไม่เต็มปากได้ไม่เต็มปากนะสี่อย่างนั้นคืออะไรคือหนึ่งศ นี่ข้อที่หนึ่งนะสี่หคุณต้องมีนะถ้าาไม่มีไม่ได้นะข้อที่2อสและสนะี่นก็คือความอย่างลงมั่นอันไม่หวั่นไหวนั่นะคือศรัทธาในพระพุทธประธรรมและพระสงฆ์ว่ามีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่คือข้อ2องสามนะสอย่างนี้สีอย่างนี้ท่านเองคือคุณธรรมของคนที่จะเป็นชาวพุทธนั่นะคือไม่ใช่ตามทะเบียนบ้านนะ ไม่ใช่ทำแต่เบ้านแต่ว่ามีสอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า เ, เราจะนับถือพระเช่าองค์เดียวเนี่ก็แสดงว่าการนับถือนั้นน่ยของคุณเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นการปฏิบัตินะถึงเรียกว่าศรัทธานะถ้าบอกว่าการนับถือก็พูดแต่ปากหรือว่าแต่พูดบาลีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปในทางปฏิบัตินะีไม่ได้รักษาสีอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้เรียกว่าศรัทธานะอันนี้ก็คงจะเรียกว่าฟังตามๆเข้ามาอะไรย่างเงี้ย มันจะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะอืมอ่าทีนี้ถามว่าแล้วเรานับถือเทพเทพวดาองค์อื่นได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่เขาถามค่ะอ่าคำว่านับถือเนี่ยย่าสมมุติอ่าทำไมเรายังไหว้พ่อไหว้แม่เอาก็เราว่าท่านมีคุณธรรมที่ดีจ่มีการอุปการะผู้อื่นเป็นต้นมีศีลเป็นต้นเรายกมือไหว้คนนี้ไหว้หัวหน้าเราเขามีวิสัยทัศน์มีความเมตตา ม, มีความโอวาโารีมีการเอื้อเฟือ้อเกือ้อกูลกับผู้อื่นเราไหว้เขาเพรจุดนี้ าการเคารพนอบน้อมมีจิตใจอ่อนโยนมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีทาไมมีเพราะว่าอันนี้พระเจ้าสอนให้มีเพราะาอันนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คือกลับมาที่จุดที่เป็นพุทธธรรมสงฆ์นั่นเองเป็นพุทธธรรมสังฆะมันจะกลับมาตรงจิตจุดนี้ <Okay. S 1> แต่เราจะไหว้เทพคนนี้แต่คุณจะไหว้เทพเทวดาจะทำไมจะไหวไม่ได้ถ้าเราเข้าถึงว่าเขามีคุณธรรมอะไร อย่างเงี้ยนะค่ะอืมแต่ถ้าสมมติว่าเราไหว้ไปทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่ามีคุณธรรมอะไรแต่เราคิดว่ามีฤทธ์เลยนะคะมีฤทธ์จะโดนบันดาลโน่นนี่นีนั่นได้อ่า น, นั่นแสดงว่ า, ว า, วา น, นั้นแสดงว่าปัญใจปัญจนะคะคื อ, อยังไม่ลงใจในพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมคือต้องเอาการที่ศรัทธา มันไม่หวั่นไหวในพระรัระะตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใช่คนที่มั่นใจร้อยเปอร์็นต์ะคุณโยมตี้มีอะไรปุ๊ก็จะพุ่งเข้าหาตรงนี้ก่อนเลยนะมา <ừ. S 1> ที่คําสองของพระเจ้าก่อนนี่เป็นธรรมะไหมนี่เป็นการปฏิบัติไหมนี่เป็นเรื่องของพุทธะไหมอย่างเงี้ยจะทําให้ทำให้ผู้ถามคําถามไใขึ้นปุ๊มเนี่ย <ừ. S 1> ก็เลยมาถามคําถามแต่มาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่เรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว แตจริงมาถามว่าไอ้เรื่องนี้มันถูกต้องมีแง่มุมอย่างไรนะคะพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็ต้องถามตัวเองกันล่ะค่ะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธได้สมบูรณ์ไหมถ้าหากว่าเราอย่างไม่ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยกับอย่างไม่รักษาศีลห้าเราก็ขาดตกบกพร่องคุณสมบัตินั้นไปใช่ใช ในในในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยคุณยมติวก็จะไม่ได้ว่าถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี้นะฉันก็ตัดคุณออกจากคําสอนอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้น ค, คือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีกรุณาหาประมาณไม่ได้เลยคุณยมติวแตคือคนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ดา่าไม่ว่าอย่างเงี้ยนะพวกที่ทําได้ก็มีพวกที่ทําไม่ได้ก็มีแต่พวกที่ทําไม่ได้ก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าถึงหนาดแบบให้เสียเให้หายหรือว่าโกรธกาแฟกาแฟก็ไม่เป็นอย่างนั้น แล้วก็มีใจที่กรุณาเมตตาหวังจะให้เขาทําได้ทําดีขึ้นมา๋ยบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆค่ะนั้นก็ไม่ใช่ไปบอกคนที่เขายังทําไม่ได้สมมติเราทําได้แล้วว่าอย่างนี้ก็ไม่สมควรอ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธอย่างนี้ไม่ถูกต้องถูกไหม ค, คะก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะอ่อก็เป็นคําตอบที่คิดว่าคุณปุ้มปุ้มเนี่ยน่าจะอ่าเข้าใจแล้วก็พึงพอใจ กับสิ่งที่ได้รับไปท่านพบุญข้าเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงอย่าเพิ่ดูคําถามคุณภูมิอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าอ่าในศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีมียันวิเศษอืม่รู้ได้เช่นกันสิ่งที่เรียกว่าเป็นนะะคสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเหนือมนุษย์ในในธรรมะวินนี้มีอยู่แต่สิ่งที่เรียกว่าอศัพท์ที่พระเจ้าใช้คืออุตริมนุสธรรมในอุตตริมนุสธรรมคือมนุษย์ใช่ไหม ธรรมของมนุษย์สืงูขึ้นไปกว่านั้นก็เรียกอุตริอุตริมนุษยธรรมคือธรรมที่เหนือยิ่งกว่าความเป็นธรรมดาของมนุษย์นะมนุษย์ดีๆส่วนใหญ่มากก็คื อ, อ, อวิ่งได้เดินได้อะไรเงี้ยนะเป็นคนุณธรรมเป็ น, ปนคุณสมบัติเป็นสิ่งที่เป็นไปนเป็นธรรมดา ข, ของมนุษย์บางคนอาจจะมีวิสัยทัศน์มากหน่อยพูดได้ดีหน่อยพูดเก่งหน่อยก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เหนือมนุษย์ขึ้นไปเช่นหายตัวอย่างนี้เดาใจคนได้รู้ความคิดเขา บินเหาะไปไหนมาไหนได้ดำดินได้เดินบนน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ตัวทั่วไปเขาทำไม่ได้อันนี้แปลว่าเหนือมนุษย์<ช>แต่ว่ายังไม่ได้มีความผิดเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ <จะ S 1> เป็น ม, มีอยู่ในคุณธรรมนี้ใช่ค่ะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ใช่แต่ดิฉันเคยได้ยินว่าถ้าอวดอุตริมนุษย์ธรรมแล้วผิดเนี่ยดิฉันพูดถูกไหมค ะ, ะคําว่าอวดนี่หมายถึงว่ามีก่อนหรือเปล่าแต่ถ้ามีแล้วอวด นะอวดด้วยครับด้วยลักษณะไหนคืออวดแล้วแบบทำให้ดูหรืออวดด้วยคพูดเฉยๆแต่ไม่ทาให้ดูมันต้องแย่ๆไปนะคืออมาต้องการทำความเข้าใจวีละขั้นตอนกันนะคือโยมติวเราย่างพอมีเวลานะในอุสริมุสธรรมเช่นอย่างที่ว่าว่าการที่เดาใจคนนะคือคือุเจ้าเนี่ยได้เคยแบ่งแยกเอาวไว้ว่าคุณธรรมพวกเนี้ยไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศพวกเนี้ยนักมายากลเขาก็ททำได้โอเคนะเราเคยเห็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เดินทะลุผ่าน the great wall กำแพงเมืองจีนถูกไหม<ฆ>เขาเหมือนกับดำดินทะลุผ่านไปได้เราเคยนักมายากลเดินบนน้ําล้วมันพิสูจน์กันจะนะทั่งว่าเฮ้ยมันเดินบนน้าได้จริงๆอย่างเงี้นะ<ฆ>เราก็เห็นนะเราเราเคยเห็นนักมายากลทําของให้หายไปได้ใส่ของกลับมาได้นักมายากรทํานะนักมายากรทําทีนี้เหตุในการที่นักมายากลทํากับเหตุในการที่พิกษุธรรมมันคนละเหตุกั น, กนคุณยมติวในเหตุในที่นักมายากรทำเนี่ยคือเขาเรียกเป็นมายากล นะครัว่ามายากรก็คือคือเหมือนกับว่าห ล, ลอกออของปลอมใช่ของปลอมไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าคุณวิเศษที่พิกชุทําในในธรรมะวันในนี้เนี่ยอาศัยเหตุคนละอย่างเหตุนั้นคือสมาธินะ ค, คือสมาธิชันสมาบัติต่างๆสีขั้น8ขัน้นทําให้เขาทําอย่างนั้นได้แต่นักมายากลไม่ใช่นะนักมายากรไม่ใช่ไม่ใช่อาศัยเรื่องสีสมาธิปัญญาทำให้ท่านทำให้นักมายากล น, นั้นสามารถทําได้เหมือนอย่างพระทําไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเห็นตรงเนี้ย จึคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่วังขั้นอย่าทำเลยภิกษุเธออย่าทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนที่มันไม่ศรัทธาก็จะมีปัญหากันอีกทีนี้ถ้าไม่ทําแล้วทําไงก็เลยมีบทบัญญัติว่าเป็นความผิดนะถ้าทำอ่าทีนี้ถ้าทําแล้วมีถ้าตัวเองมีจริงๆแล้วทำนะทาให้ดูเลยนะไม่ได้พูดแต่ว่าฉันมีไม่มีแต่ทําให้ดูเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดชนิดที่เรียกว่าอบัตทุกกด นะบัตรทุกขก์ก็คือเหมือนกับเป็นอบบาบัติเบาๆก็คือไม่เบาแหละแต่ก็เป็นขั้นที่ขั้นที่สามต่ำที่สุดขั้นถัดมาถ้าเบิดว่ามีนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะแต่บอกว่าฉันมีแต่มีจริงๆนะมีจริงๆะนะอันนี้ก็คือจะเป็นอบบาบัติที่สูงขึ้นมาหน่อยหนักขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าทํากุศลธรรมให้ตกล่วงลงไปภาษาพระรก็เรียกว่าปาจิตติอันนี้คือคมีแล้วทามีแล้วบอกเฉยๆนะแต่ไม่ได้ทําให้ดู ที <c oughs> น, นี้ถ้าไม่มีไม่มีแล้วบอกว่าตัวเองมีคือถ้าไม่มีแล้วทําให้ดูเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมถ้าไม่มีแล้วทําให้ดูแบบนักมายากลหรือถ้าไม่มีแล้วพูดว่าฉันมีเนี่ไม่ได้ทําให้ดูแบบนักมายากลด้วยซ้ำเนไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็จะผิดอาบัตขั้นที่หนักที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นปาราชิกนั <c oughs> ่นก็คือ <c oughs> ขาดจากความเป็นปลาค่ะเนี่ยมันมั น, มนเรื่องราวมันมาเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของยานพิเศษทั้งหลาย เกิดได้แต่การปฏิบัติสมาธิที่เจริญก้าวหน้าใ่ในลำดับสูงสูงขึ้นไปใช่ไหมคะใช่เท่ากับว่าใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติสมาธิซึ่งจำเป็นหรือไม่คะว่าจะต้องเป็นสมาธิแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถมีความพิเศษนี้เพราะก็ดูเหมือนว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่แต่ในพระพุทธศาสนานะคะถูกต้องถูกต้องตั้งแต่ก่อนมีสมมาสัมพุทธเจ้า นีคุณวิเศษพวกนี้ย่การนำดินการทายใจคนพวกนี้หรืออดีนาคตเนี่ยมีคนเขาทําได้อยู่ก่อนแล้วมีคนทคําได้อยู่ก่อนแล้วพวกฤาษีพวกนักพรตอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ทําได้อยู่แล้วที่ที่แตกต่างของพระพรุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าจะมีชาตอันหนึ่งในในหกเจ็ดอันเนี่ยนะก็นวิชาแปด ม, มีในเจ็ดอย่างเนี่ยมีอย่างที่แปดเนี่ยก็พูดถึงการที่ทําอสุภะให้สิ้นได้ นสะสวัสดิ์นี่หมายถึงเครื่องน้องเนื่องคือกิเลสนั่นเองที่มันฝังบ่มอยู่ในจิตของเราแต่เราจะละ ก, กิเลสตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้จะมีปรากฏขึ้นเฉพาะในในธรรมะวินัยนี้ในคําสอนของพรุทธเจ้านี่คือความแตกต่างจากการทําสมาธิแล้วเกิดฌานที่ทําให้เกิดความพิเศษได้จะเออก็เหตุเดียวกันเหตุเดียวกันแต่ว่าตรงนี้เป็นความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ค่ะนะค ะ, ะหลายคนก็จะสงสัย ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วเราอยากได้คุณวิเศษนี้จะมาปฏิบัติสมาธิตามแบบใครเราก็ไม่รู้อะเรายึดตามแบบพระพุทธเจ้าดีกว่านะคะในระหว่างทางเนี่ยที่จะมีคุณวิเศษเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะท่านคะอย่างแรกก็จะเป็นญาณที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงญาณที่ะจะไม่เห็นตามที่เป็นจริง อ, อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะเห็นละว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่เที่ยง อันนี้เราจะเห็นได้จากสมาธิที่เรามีอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคุณจะสามารถที่จะทายใจคนได้รู้ว่าคนนี้คิดอะไรแต่คำว่ารู้ว่าคนนี้คิดอะไรเนี่ยนะคุณย้ำติ่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นคำพูดได้ยินในหูเรานะไม่ใช่อย่างนั้นนะ บ, บ, บางทีเราจะรู้บางครั้งบางทีอาจจะรู้บางเรื่องบางทีอาจะรู้นิดเดียวมากน้อยไม่เท่ากันตามความละเอียดของสมาธิของคุณคอันนี้เป็นไปได้หรืออย่างที่3ามก็จะสามารถรู้ได้ว่า อดีตตัวเราเองนะอดีตเราเป็นยังไงมาบ้างเดินไปเกิดในพบไหนชาติไหนมาบ้างมีขันอย่างไรกินอาหารอะไรความละเอียดตรงนี้ก็จะแยกย่าไปอีกแต่บางคนรู้แค่ชาติเดียวบางคนรู้แค่ย้อนกลับไป30สิชาติรู้เฉพาะตรงชาติที่30 2สิบ่กาับสาสิเนี้ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีก็อยู่ที่ความละเอียดของสมาธิค่แะแล้วก็ถัดมาก็คือรู้อนาคตอันนี้คือข้อที่สี รู้อนาะ <Okay. S 1> คตว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงสัตว์คนนี้ตัว น, นี้ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนอะไรต่างๆรู้ได้ <Okay. S 1> นะถัดมาก็จะเป็นได้ได้ยินเสียงกันเป็นทิฟสโสตาธาต์ก็เรียกว่ า, าหูทิฟนั่นเอง <Okay. S 1> เสียงถ้าเป็นของมนุษย์เสียงถ้าเป็นของทิฟได้ยินเกิดขึ้นมานะก็ที่ข้อที่หก็คือสามารถที่จะออกเหินเดินอากาศได้ดำดินได้เดินไปบนแผ่นน้ำได้อันนี้ข้อที่หกข้อที่เจ็ดนั้นก็คือการที่ 6, สามารถที่จะแยกกายได้นะเป็นหลายๆร่างออกมาได้ซึ่งเรื่องเราใช่เป็นลักษณะว่าคนเดียวเนี่ยแต่เห็นเป็นหลายคนคนนี้กวาดบ้านอยู่คนนี้ถูพื้นอยู่คนนี้ทำความสะอาดนั่นนี่อยู่พระในสมัยก่อนก็ทำอย่างนี้ก็คือคือแบบคนเดียวทําไม่ไหวก็เลยเจิกตัวเองมาเยอะๆแล้วก็ไปช่วยงานกันอย่างเงี้ยคแต่ละข้อที่แปดนี้สําคัญแล้วข้อที่แปดก็คือการที่ทําอสุหะให้สิ้นได้อันนี้คือสุดยอดหลักตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเรียงตามลําดับนะ ไม่ใช่ว่าต้องเรียงตามลำดับแต่คือที่เราควรจะต้องหวังเนี่ยอันเป็นผลของสมาธิที่ทําให้เกิดแปดอย่างนี้ได้เนี่ยคือข้อที่แปดตรงนี้ค่ะอันนี้คือจําเป็นเลยสําคัญเลยอืแต่ทีนี้บางคนก็เสียดายไงะท่านค่ะเจ็ดอย่างนี้รู้สึกว่าน่าสนใจมากก่อนที่จะทําให้สิ้นขอขอทําให้เจอก่อนขอทําให้พบก่ อ, น, อนมันก็จะเสียเวลามันก็จะเสียเวลามันจะเป็นเครื่องเสียเวลาจ ะ, จะพบได้ไหมดิฉันขอเป็นเอาไว้ ับถามท่านในครั้งต่อไปได้ไหมคะเพราะว่าสนใจเรื่องพวกนี้มากได้ได้ไว้วันในสัปดาห์หน้าก็ได้เพาะด้วยหัตถนี้หน้าใช่ไหมคะเพาะดวหัสมบูรณหน้าเพราะวันเนี้เวลาหมดแล้วละคะท่านคะเดี่ยมมากค่ะกราบในมหการมขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยมมากท่านฟังที่ครบค่ะวันนี้เราก็ได้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากคําถามของคุณปุ้มๆเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการที่เราจะนับถือเทพนั้นเป็นกรรมหรือไม่ นะคะแล้วก็ยังได้ทราบถึงเรื่องของความเป็นพิเศษความเป็นทิพย์ของคนที่ปฏิบัติมากๆนะคะก็จะมีความพิเศษความเป็นพิเศษหลายอย่างก็จะมียานที่ทำให้เห็นได้ตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงทั้งหลายดิเข้าใจว่าพวกปฏิบัติอย่างท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพล่จะเห็นเกิดดับกันบ่อยมากนะคะส่วน จะทายใจคนได้จะรู้อดีตชาติรู้อนาคตหรือได้ยินเสียงเป็นทิพย์ห่อเหินเดินอากาศได้แยกกายได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันเองก็คิดว่าน่าสนใจละแต่สุดท้ายเนี่ยสูงสุดเลยไม่ใช่การได้พบได้เห็นอะไรพระพุทธเจ้ามีสิ่งที่พิเศษในคำสอนเหนือกว่าคนอื่นๆในตรงสุดท้ายนีย้คือเรื่องการทาให้สิ้นอาสวะ ในวันต่อๆไปเรายังมีโอกาสที่จะมากราบเรียนถามท่านพบูบุญกันต่อนะคะแต่ว่าสําหรับในวันนี้เนี่ยดิฉันเองเนื่องจากมีแค่2วันในสัปดาห์ก็อาจจะคุยเรื่องของปฏิบัติน้อยแต่ก็ต้องบอกท่านทั้งหลายว่าท่านพยัยบุญเนี่ยได้สอนอยู่ในทุกๆวันเลยก็จับช่วยประเด็นรำในแต่ละอย่างที่ท่านสอนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันของท่านกันนะคะแล้วก็มารับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทางครอบครัวข่าวดิฉันสันสนีนาคพงษ์ พระเพรบุตรอภิปุ่นโนจกวัตปารณหายโซวันนี้พุทธว ส, สวสดีค่ะ